พระอนุบัญญัติภิกษุต้องอาบัติปลายจิตตีเพราะฉันคณะโภชนะนอกสมัยสมัยในข้อ น, นั้นคือสมัยที่เป็นไข่สมัยที่ถวายจีวรสมัยที่ทาจีวรสมัยที่เดินทางไกลสมัยที่โดยสารเรือนี้เป็นสมัยในข้อ น, นั้นสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้